ครูกรเป็นช่างกลองใหญ่ในอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองกลองของครูกรเนี่ยเสียงดีตีดังกังวันนะคะเพราะว่าทำจากไม้ชั้นดีค่ะมีแต่คนต้องการกลองของบ้านครูกรไปประจำปีพาดทั้งสิน้นอาชีพทํากลองในอำเภอป่าโมกเป็นที่แพร่หลายก็จริงแต่ว่ากลองคุณภาพคงมีไม่กี่ที่เท่านั้นแล้วก็กลองของครูกรก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นนะคะ ครูเอื้องเองค่ะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของครูกรณ์คนนึงแต่ว่าทั้งสองเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่เหตุเพราะว่าแข่งขันกันทํากลองนั่นเองแต่ถึงอย่างไรเนี่ยฮะกลองของครูกรณ์ก็ดูจะเป็นต่อกลองของครูเอื้องอยู่ดีครูกรณ์เองก็ไม่มีลูกสืบสกุลเลยแม้แต่คนเดียวแม้ว่าตัวเองจะแต่งงานกับป้านวลมาแล้วเกือบสิบปีก็ตามค่ะ อายุของคนทั้งคู่ก็มากขึ้นทุกวันทุกวันมีเพียงลูกศิษย์ลูกหาเท่านั้นที่คอยดูแลครูกรณ์แล้วก็ป้านวลส่วนครูเอื้องนั้นแม้จะมีชื่อเสียงการทำกลองไม่มากเท่าครูกรแต่ก็โชคดีนะคะที่มีลูกชายสืบสกุลแล้วก็มีลูกสาวอีกหนึ่งคนซึ่งก็นับว่ามีความสุขในครอบครัวเหนือกว่าครูกรอ์มากเลยนะคะ มีอยู่วันหนึ่งค่ะครูกรณี่เกิดป่วยเป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลองของครูกรณก็ไม่มีคนสืบทอดต่อเพราะว่าลูกศิษย์ทุกคนรู้นะคะว่าหากคิดจะไม่ทำกลองกับครูกรณแล้วก็ไม่ควรเอาความรู้ไปทำกลองที่ไหนอีกเพราะว่าครูกรแกเคยอธิษฐานว่าหากใครทำเช่นนั้นชีวิตจะมีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นตลอดไปวันหนึ่งนะคะก็ถึงพิธีล้างกลองที่ปฏิบัติกันทุกปี แต่ว่าปีนี้ต้องเป็นหน้าที่ของปนวลแล้วละค่ะเพราะว่าครูกรณี่ไม่สามารถทําเองได้แต่ว่าป้านวลก็เกิดคลัดตกน้ําแล้วก็จมน้ําตายในที่สุดการจากไปของปนวลทําให้ครูกรณ์เสียใจอย่างมากค่ะซึ่งในวันเผาศพของป้านวล น, นี้เองเหมือนโชคชะตาที่กําหนดไว้ให้ชีวิตของครูกรณ์ต้องมีอันเป็นไปพร้อมกับปนวลวันนั้นครูกรณ์ไม่สามารถที่จะไปเผาศพปนวลได้นะคะเพราะว่าเป็นอมาาัมพาตต้องนอนเสียใจอ ย, อยู่แต่ในบ้าน พลันอยู่ดีๆก็เกิดเลิงไหม้บ้านของครูกรค่ะไฟไหม้กระนำมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ากลองทุกใบเนี่ยเป็นเชื้อไฟอย่างดีครูกรนั้นก็เหมือนกับตายทั้งเป็นเพราะว่าต้องทรมานถูกเผาทั้งเป็นจนตาย เมื่อลูกศิษย์ลูกหากลับมาจากงานศพก็ต้องมาพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อพบนะคะว่าบ้านครูกรณ์เนี่ยมอดไหม้ทั้งหลังส่วนศพของครูกรณ์เองก็ดำเป็นเท่าฐานดูเหมือนอาชีพทำกลองของทุกคนคงจบลงที่นี่แล้วส่วนครูเอื้องที่ทราบข่าวของครูกรณ์ก็เสียใจเหมือนกันแต่ว่าในใจก็คิดนะคะว่าคู่แข่งของตัวเองไม่มีอีกแล้วเหลือแต่จะทำอย่างไรให้กลองของตัวเองออกมามีคุณภาพดีเหมือนของครูกรณ์เท่านั้น ก็เลยคิดนะว่าจะชวนลูกศิษย์ลูกหาครูกรณมาอยู่ด้วยแต่ว่าทุกคนก็ปฏิเสธค่ะเพราะว่ากลัวคำสาปแช่งที่ครูกรณพูดไว้นายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของครูกรค่ะตัดสินใจไม่เกรงกลัวคำสาปของครูกรณเลยเพราะว่าหนึ่งเองเขาก็หวังว่าจะได้ใกล้ชิดกับแพรวซึ่งเป็นลูกสาวคนสวยของครูเอื้องที่ตัวเองหมายปองไว้นั่นเอง ตอนที่หนึ่งตัดสินใจไปอยู่กับครูเอื้องนั้นหนึ่งได้เล่าคำสาปแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆของครูกรณให้ครูเอื้องฟังแต่ว่าครูเอื้องไม่สนใจและก็คิดว่าตนนี่แหละที่จะล้างคำสาปของครูกรณให้ได้แล้วก็จะทำให้กลองของตนด่งดังกว่ากลองของครูกรณจนได้ ครูเอื้องก็เลยเริ่มทำงานของตนค่ะแล้วก็เก็บกลอ ง, องครูกรณ์เมื่อครั้งที่ป้านวลเอาไปล้างได้ใบหนึ่งแล้วก็เริ่มทำกลองตามต้นแบบของอกลองแล้วก็คำบอกเล่าของหนึ่งนะคะในที่สุดค่ะกลองใบแรกที่ครูเอื้องทำตามวิธีและลักษณะต่างๆของครูกรณ์เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าสุขภาพของครูเอื้องกลับแย่ลงทุกวันค่ะตั้งแต่เริ่มปวดเมื่อยจนกระทั่งป่วยเป็นอัมาพาตพูดไม่ชัดเดินไม่ได้ ต้องนอนอยู่กับที่ตลอดเวลาเหมือนกับครูกรณ์ไม่มีผิดนะคะส่วนหนึ่งนั้นก็เริ่มรู้สึกเหมือนกันแล้วก็นึกถึงคําสาปของครูกรณ์มากขึ้นแต่ว่าความรักของตนยังไม่สมหวังอะนะตนก็เลยยังไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะช่วยครูเอื้องนับวันความใกล้ชิดก็ยิ่งทําให้แพรวกับหนึ่งใกล้ชิดกันแล้วก็ในที่สุดค่ะก็ได้เสียกันจนแพรวตั้งท้อง ครูเอื้องเสียใจมากเหมือนกับหนึ่งนั้นเป็นคนกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาแต่ว่าตนเองก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะคะอาการของครูเอื้องก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะคุณผู้ฟังมีแต่ซุดหนักขึ้นทุกวันทุกวันอีกทั้งเรื่องร้ายๆก็มีมากขึ้นด้วยทุกวันเหมือนกันโดยเฉพาะป้าพรค่ะภรรยาของครูเอื้องแกไปมีชู้กับตำแมนช่างทากรองในบ้านทาให้ครูเอื้องนี่เสียใจมาก จนอาการซุดหนักขึ้นกว่าเดิมพูดก็ไม่ได้ได้แต่ร้องไห้อย่างเดียวกลอ ง, องครูเอื้องขายไม่ได้ค่ะแถมไม่มีใครสนใจทํากลองต่อมีแต่คนคิดแต่เรื่องของตัวเองทั้งสิ้นอยู่มาไม่นานค่ะป้าพรก็เสียชีวิตเพราะว่าถูกตะแมนเนี่ยฆ่าตายเนื่องจากป้าพรไม่ให้เงินที่ตะแมนของานศพของป้าพรมีเพียงหนึ่งกับแพร์แล้วก็ลูกศิษย์ของครูเอื้องสอาคนเท่านั้นที่ไปร่วมงาน ดูเหมือนว่าครอบครัวของครูเอื้องจะยิ่งตกต่ำลงทุกวันนะคะเพราะว่ามีแต่เรื่องแร้ายๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคนในบ้านครูเอื้องทั้งสิน้นวันหนึ่งค่ะขณะที่แพร์กาลังจะไปซักผ้าที่ท่าน้ําแพร์เองก็เกิดลื่นจนต้องแทงลูกครั้งนั้นนับเป็นความสูญเสียอีกครั้งหนึ่งของครอบครัวครูเอื้อง หก็ต้องพาแพรไปโรงพยาบาลพอกลับมาที่บ้านก็พบนะฮะว่าบ้านของครูเอื้องกําลังถูกไฟไหม้และแน่นอนค่ะว่าครูเอื้องอยู่ในบ้านแต่ 1. ก็ไปช่วยไม่ทันเพราะว่าพอจะเข้าไปช่วยก็พบว่าร่างของครูเอื้องเนี่ยมอดไหม้หมดแล้ว1ก็ได้แต่วทวนคิดถึงภาพของครูกรณ์เมื่อครั้งที่ถูกไฟคลอกภาพนั้นไม่ต่างอะไรกันเลยกับครูเอื้องตอนนี้ หนึ่คิดถึงคําสาปแช่งเรื่องการทำกลองของครูกรเพราะว่าดูเหมือนว่าคําพูดของครูกรนั้นกําลังเป็นจริงแล้วนั่นเองค่ะลุงจันแกขึ้นชื่อมากเลยนะคะกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการพระเครื่องเพราะว่าพระวัดไหนเด็ ด, เ, ด, ดเจ๋ ง, จงใครเขาไม่มีแกก็จะหามาเป็นของตัวเองจนได้นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆมากแค่ไหนคุณก็มีโอกาสผิดพลาดได้เหมือนกัน อย่างเช่นเรื่องของลุงจันนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความผิดพลาดในครั้งนั้นจนทําให้ลุงจันต้องเสียใจมาโดยตลอดค่ะทุกวันกิจกรรมหลักของลุงจันก็คือการไปตามที่ต่างๆเพื่อไปเช่าพระหรือไม่ก็เอาพระไปให้คนอื่นเช่าเพราะว่าพระบางองค์มูลค่าเป็นล้านก็มีนะลุงจันก็มักจะใส่ไว้ที่คอตลอดเวลาค่ะเพราะว่าหายากแล้วก็มีความเลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก มีอยู่วันนึงค่ะลุงจันเดินทางไปเช่าพระแถวท่าพระจันทร์แกก็ได้เจอกับเด็กคนหนึ่งอายุราวๆสิบปีได้มานั่งให้เช่าพระอยู่ลุงกกเห็นเด็กคนนั้นน่าสงสารแกก็เลยเช่ามาหมดทั้งแผงที่เด็กคนนั้นขายก็รา20สิบก่องค์นะคะเพราะว่าราคาถูกแล้วก็ถือว่าช่วยเด็กคนนั้นอีกทางหนึ่งด้วยพระพุทธรูปที่เช่ามาก็มีพระองค์เล็กๆนะคะอยู่ประมาณสัก16องค์ ก็เป็นพระเครื่องแบบพระพุทธรูปนะคะแล้วก็อีกพระพุทธรูปห้อยคออีก34องค์ค่ะแต่ว่ามีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งที่พระพุทธรูปองค์หนึ่งมีรูปร่างแปลกไปจากพระพุทธรูปทั่วไปมากเพราะว่าพระพุทธรูปทั่วไปเนี่ยค่อนข้างจะมีพุทธลักษณะที่งดงามแต่ว่าพระพุทธรูปองค์นี้กลับตรงกันข้ามค่ะไม่ว่าจะเป็นพระเนตรโปนพระกันมีข้างเดียวพระนาสิกแหว่ง เหมือนกับตั้งใจออกให้ผิดเพี้ยนไปจากปกติลุงจันแกก็ไม่ได้รู้สึกนะว่าพระพุทธรูปองนี้แปลกแต่อย่างใดหากแต่นึกสงสารถึงความเศร้าแล้วก็ลักษณะด้อยของพระพุทธรูปนั้นมากกว่าจึงได้เช่ามาด้วยนะคะแล้วก็นำไปเก็บไว้ในห้องพระเหมือนกันกับพระพุทธรูปทุกองค์ค่ะจะว่าไปแล้วหากไม่สังเกตก็จะไม่ก็จะเห็นนะว่าเป็นเหมือนกับพระพุทธรูปทั่วไป ลุงจันแกก็อยู่กินแบบครอบครัวขนาดกลางก็คือมีแม่ลุงจันพี่สาวลุงจันมีภรรยาแล้วก็มีลูกสาวสองคนลูกชายอีกหนึ่งคนฐานะครอบครัวก็อยู่ในระดับดีนะคะนั่นก็เพราะว่าเกิดจากมรดกที่ดินหลายแปลงที่พอจะขายสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายได้นะคะ หลังจากที่ลุงจันเช่าพระพุทธรูปองค์นั้นมาได้ไม่ถึงสัปดาห์ลูกสาวคนโตของลุงจันที่เดินทางไปทัศนศึกษาที่ต่างจังหวัดก็เกิดอุบัติเหตุเสียลูกตาไปข้างหนึ่งค่ะครอบครัวลุงจัน์เสียใจมากแล้วก็สงสารลูกมากแต่ว่าลุงจันเนี่ยแกมักเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะว่าเสียตาข้างเดียวก็ยังดีกว่าเสียสองข้างหรือว่าเสียชีวิต จากนั้นลุงจันก็ขายที่อีก3ามแปลงที่เหลือทำตาใหม่ให้กับลูกสาวจะได้ไม่ดูโบ๋ไปซะทีเดียวค่ะเรื่องของลูกสาวคนโตยังไม่ทันหายดีทีนี้มาถึงคราวของแม่ลุงจันแล้วค่ะซึ่งแกก็อายุเกือบ80ปีแล้วเกิดป่วยเป็นอัมาพาตเดินไม่ได้พูดไม่ชัดก็เลยต้องเป็นภาระของพี่สาวที่จะต้องดูแลแม่เพราะว่าพี่สาวของลุงจันเนี่ยยังไม่มีครอบครัวแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีเลยนะคะ พี่สาวคนนี้ก็พอจะช่วยดูแลได้บ้างที่ทางของลุงจันก็เริ่มร้อยร้อไปกับการรักษาแม่แล้วก็ลูกสาวที่ต้องเปลี่ยนตามาทำความสะอาดอยู่เรื่อยเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะทำให้ติดเชื้อได้อาการของแม่ลุงจันไม่ได้ดีขึ้นนั่นก็เพราะว่าท่านเองก็คงจะแก่มากแล้วส่วนการพักฟื้นหรือว่าฟื้นฟูร่างกายต่างๆนะคะก็ยังไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเท่าไหร่ พออาการเริ่มแย่ลงลูกหลานที่อยู่ไกลๆได้ข่าวก็มาเฝ้าดูอาการของคุณแม่ลุงจันวา่าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ค่อนข้างมากพอสมควรนะคะแต่ว่าอาการแม่ของลุงจันก็แย่ลงทุกทีทุกทีนะคะพี่ชายของลุงจันก็บอกว่าแม่คงจะไม่รอดคืนนี้หรอกลุงจันก็บอกว่าเอาเถอะฉันทาใจมานานแล้วอีกอย่างนึงแม่ก็แก่มากแล้วด้วย อย่าให้ท่านทรมานอีกเลยก็พูดปลอบใจพี่ชายละค่ะพร้อมกับเอามือตบบ่าเบาๆพี่ชายก็บอกว่าเดี๋ยวข้าจะไปดูดอกไม้ทูบเทียนมาให้แกนะแกจะได้ไปสู่สุคติห้องพระอยู่ทางไหนล่ะ พี่ชายลุงจันทร์ก็พยายามทําใจแล้วก็หวังให้แม่ของแกไม่ทรมานจากกันที่แกจะต้องจากไปนะคะจากนั้นแกก็ได้เข้าไปที่ห้องพระเพื่อไปหาพระพุทธรูปมาทําพิธีช่วยส่งดวงวิญญาณแม่เพราะแม่แกคงไม่ทรมานจนถึงพรุ่งนี้แน่นอนพี่ชายลุงจันทรเข้าไปถึงห้องพระสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็เดินออกมาด้วยท่าทางสงสัยอะไรบางอย่างพร้อมกับถามลุงจันทร์บอกว่าเออไอจันท์พระพุทธรูปของมึงเนี่ย มันมีองค์หนึ่งลักษณะแปลกๆนะค่อนข้างจะมีพุทธลักษณะที่อับประลักษ์ไปมากๆได้มาจากไหนเหรอลุงจันถามพี่ของลุงจันถามนะคะลุงจันก็บอกอ๋อตอนนั้นไปเดินแถวท่าพระจันทร์เห็นข้าวก็สงสารเลยเช่ามาบูชานะทำไมเหรอพี่ลุงจันย้อนถามพี่ชายแต่ว่าในใจก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักพี่ชายลุงจันก็บอกว่าข้าว่ามันไม่ดีมั้ง พวกนักเลงพระเขาถือกันว่าถ้ามีพระไว้ในบ้านเพื่อบูชาเนี่ยมันจะอัปมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะพี่ลุงจันทร์ก็ทักด้วยความเป็นห่วงนะคะไม่เอาน่ะเอ็งคิดมากไปได้พระพุทธรูปไหนๆก็มีไว้ให้คุณทั้งนั้นแหละลุงจันทร์ก็รีบตัดบทขาดพร้อมกับบอกให้พี่ชายทําพิธีให้แม่ได้แล้วแม่ของลุงจันทร์จากไปอย่างสงบในคืนนั้นส่วนเรื่องของพระพุทธรูปไม่ได้มีอะไรมาสกิดใจลุงจันทร์เลย แต่เรื่องนี้ก็ยังคงอยู่ในความคิดของพี่ชายลุงจันเสมอหลังจากพิธีศพแม่ของลุงจันเสร็จสิ้นลงค่ะพี่ชายคนโตของลุงจันหรือว่าลุงหมึกนะคะที่หนีออกจากบ้านไม่สนใจใยดีก็กลับมาค่ะเพื่อหวังจะทวงสมบัติที่เป็นมรดกของแม่ แต่ว่าแม่ของลุงจันทร์ไม่ได้แบ่งสมบัติไว้ให้ลุงหมึกเลยแม้แต่น้อยก็เลยเกิดบันดาลโทสะทำร้ายร่างกายลุงจันทร์ปางตายจนต้องนอนในห้องไอซียหลายวันกว่าหมอจะอนุญาตให้ออกแล้วก็กลับบ้านได้เหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับบ้านของลุงจันทร์ ยังไม่ได้หมดอยู่แค่นี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าภรรยาของลุงจันเนี่ยกอดเรื่องอับอายจนได้ค่ะเมื่อเธอเนี่ยไปมีปฏิสัมพันธ์หรือว่ า, ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนงานที่ไร่ของตัวเองเขาแอบไปเจอกันที่ไร่เพราะว่ามีโรงเก็บปุ๋ยอยู่คนงานด้วยกรรันรู้ก็เลยทนไม่ได้ค่ะมาบอกลุงจันลุงจันตามไปดูก็เลยเห็นภาพว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยมีชู้ลุงจันเสียใจมากค่ะขับไล่ทั้งคู่ไปอยู่ที่อื่น ส่วนลุงจันเองก็ดื่มเหล้าเมาไมยทุกวันเป็นภาระให้พี่สาวแล้วก็ลูกๆต้องดูแลลุงจันมากขึ้นแต่ทุกคนก็สงสารลุงจันเนี่ยนะคะพี่ชายลุงจันได้ข่าวก็เลยมาเยี่ยมและเห็นว่าลุงจันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนครอบครัวฐานะชื่อเสียงต่างๆที่เคยมีมาในอดีตก็ลดลงด้วยก็เลยเกิดความสงสัยว่าทาไมจึงเกิดวิกฤตกับครอบครัวนี้บ้านหลังนี้ได้ทั้งๆที่ครอบครัวนี้ก็ดูอบอุ่นมาโดยตลอดนะ ก็เลยตัดสินใจค่ะเพื่อสายศาสตร์ไปหาหมอดูตรวจดวงชะตาให้ก็ถามหมอดูบอกว่าเป็นไงบ้างหมอหมอดูก็เลยบอกว่ามันมีสิ่งไม่ดีอยู่ในบ้านแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรกันแน่ในปีนี้เขานําอะไรแปลกๆเข้ามาในบ้านบ้างหรือเปล่าหมอดูถามนะคะพี่ชายลุงจันทร์ก็เลยบอกไปบอกว่าก็มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งครับผมเคยห้ามแล้วแต่มันอยากจะเก็บไว้เป็นพระพุทธรูปลักษณะประหลาดผิดธรรมชาติ พี่ลุงจันทร์ก็ตอบหมอดูไปหมอดูบอกว่างั้นให้เอาพระองค์นั้นเนี่ยไปไว้วัดซะแล้วมันจะช่วยให้อะไรๆดีขึ้นได้พี่ชายลุงจันทร์นําเรื่องนี้ไปบอกกล่าวกับลุงจันทร์นะคะซึ่งตอนแรกค่ะลุงจันทร์ก็ไม่ยอมแต่ไม่มีทางเลือกก็เลยลองเชื่อพี่ชายดูเอาพระพุทธรูปองค์นั้นไปไว้ที่วัด หลังจากนั้นค่ะเหตุการณ์ร้ายๆก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยครอบครัวของลุงจันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆมีเงินมีทองใช้เหมือนก่อนลูกสาวทั้งสองคนก็เรียนจบตามที่ลุงจันตั้งใจซึ่งแม้ว่าภรรยาของแกจะไม่กลับมาแล้วก็ตามนะคะ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะเรื่องไหนสมควรเชื่อก็เชื่อเรื่องไหนไม่สมควรเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะว่าบีเองก็นําเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังอีกทอดนึงหลังจากที่ได้รับฟังเข้ามานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วละคะ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรายการด้วยกลับมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ